บทที่10คุณทัศษณะและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการบริหารเวลากฎพื้นฐานเพื่อความสำเร็จอาจแยกแยะได้ดังนี้ 1. รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร 2. ค้นหาว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้น 3. ปฏิบัติตามแนวทางนั้นและ 4. รักษาความตั้งใจนั้นไว้ตลอดคำกล่าวข้างตน้นคือบทสรุป เคล็ดลับสู่ความสําเร็จอย่างง่ายซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถทําความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้แต่ในชีวิตจริงนั้นกลับมีเพียงคนจํานวนไม่มากที่สามารถครอบครองความสําเร็จได้ตามที่ต้องการนั่นเพราะหลายคนไม่เคยแม้แต่จะคิดนั่งลองพิจารณาถึงเป้าหมายของชีวิตอย่างจริงจังในขณะที่หลายคนรู้สึกเหนื่อยและท้อกับอุปสรรคปัญหาที่พบระหว่างทางเดินสู่เป้าหมายจึงเลิกราหยุดช ง, งัก โยนความฝันสูงส่งทิ้งไปอย่างน่าเสียดายสาเหตุสำคัญหนึ่งคือการขาดแรงจูงใจที่เด่นชัดมากพอและต่อเนื่องในเรื่องของการบริหารเวลาก็เช่นกันหลายคนไม่สามารถทำตามเป้าหมายตามตารางเวลาที่วางไว้ได้บางคนทำได้ดีในช่วงเวลาหนึ่งรันเมื่อเวลาผ่านไปความมุ่งมั่นตั้งใจก็เสื่อมถอยลงตามการเวลาและปริมาณความเข้มข้นของแรงจูงใจภายใน จากประสบการณ์ส่วนตัวและผู้คนรอบข้างที่ได้พบเห็นผมก็อยากจะเสนอทัศนะและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จไว้ดังนี้ครับเริ่มวันนี้ยังไม่สายคติพจน์หนึ่งที่ผมยึดถือและใช้เป็นประจำคือวันนี้คือวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่ดังนั้นสําหรับผมแล้วการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆในชีวิตจึงไม่มีคําว่าสายอย่างแท้จริงเริ่มต้นวันนี้ย่อมดีกว่าเริ่มวันพรุ่งนี้หรือไม่เริ่มต้นเลย ไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราจะเป็นอย่างไรเราอาจจะไม่เคยตั้งใจบริหารเวลาเลยสักครั้งหรือล้มเหลวในความตั้งใจครั้งแล้วครั้งเล่าจนนักไม่ท้วนแต่นั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญครับสิ่งสาคัญคือเรายังคงเป็นเจ้าของวันนี้ซึ่งเราสามารถจะใช้มันเป็นวันแรกในการเริ่มต้นความตั้งใจใหม่ได้เสมอถ้าไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเราควรเริ่มต้นนั่งลงค้นหาเป้าหมายของชีวิตในวันนี้ ถ้าไม่เคยทำตารางเวลาเริ่มต้นหยิบกระดาษและปากกามาตีเส้นและวางแผนการใช้เวลาให้ดีเสียแต่วันนี้ถ้าไม่เคยมีไดอารี่หรือคู่มือบริหารเวลาโรกไนเซอร์ izer, ก็รีบไปซื้อหามาตั้งแต่วันนี้ถ้าตื่นเช้าไม่ค่อยได้วันนี้ก็รีบนอนตั้งแต่หัวค่ำเพื่อจะสามารถตื่นแต่เช้าด้วยความสดชื่นได้ถ้าเคยตั้งใจบริหารเวลาแต่ล้มเหลวอยู่บ่อยครั้งก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับลุกขึ้นใหม่วันนี้ แล้วเริ่มความตั้งใจครั้งใหม่ให้หนักแน่นและมั่นคงกว่าเดิมถึงระลึกว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจจริงวาดเป้าหมายให้ชัดเจนผมเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงเจ้าเนื้อบางคนจะติดรูปนางแบบหุ่นเพรียวลมไว้บนประตูตู้เย็นเพื่อทุกครั้งที่จะเปิดหาของจุกจิกกินจะได้ถูกเตือนใจด้เป้าหมายของการควบคุมอาหารที่ตนกาลังพยายามหยุด นั่นคือการมีสัดส่ที่งดงามสมส่วนเหมือนดังแบบในรูปนั้นนี่คือตัวอย่างที่ดีของการวาดเป้าหมายให้ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นอยากจะทำอะไรในอนาคตเราควรที่จะวาดภาพเป้าหมายนั้นให้ชัดที่สุดในความคิดในจินตภาพของเราเพื่อจะสามารถวางแผนสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างละเอียดและเป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่จะทาได้ในขณะเดียวกัน การวาดภาพเป้าหมายในความหมายของการทำเป้าหมายให้เป็นภาพที่มองเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตาจริงๆนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นเกิดความมุ่ปานะที่จะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและบังคับควบคุมตนเองในการทำแผนการและตารางเวลาที่วางไว้อย่างสุดกำลังนักมวยที่มีเป้าหมายอยากจะเป็นแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ ก็อาจหาภาพแชมปโลกที่ตนชื่นชมมาแขวนไว้ในบ้านเพื่อกระตุ้นเตือนถึงเป้าหมายนั้นอยู่เสมอผู้ที่มีเป้าหมายอยากจะเป็นรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็าอาจจะพกภาพอับราฮัมลินค์เคนไว้ในกระเป๋าสตางค์ตลอดเวลาเพื่อจะสร้างเสริมแรงจูงใจอยากจะเป็นรัฐบุรุษอันเป็นตำนานของโลกเช่นนั้นบ้างมองแบบอย่างเพื่อการดนใจเบื้องหลังชีวิตของผู้ที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆนั้น ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีแบบอย่างแห่งการโดนใจทั้งสิ้นเมื่อเราได้ศึกษาคุณลักษณะชีวิตของเขานั้นเราจะได้รับแรงบันดาลใจและท้าทายใจให้อยากเล่นแบบสิ่งที่ดีเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความขยันหมั่นเพียรความมุ่งมั่นตั้งใจความอดทนความมีวิสัยทัศน์ความมีระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขาเหล่านั้นมักจะเหมือนอนกันคือการบริหารเวลาในชีวิตอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเราสามารถจะยึดเป็นแบบอย่างเพื่อทำตามได้ทั้งเรื่องการตื่นเช้าการใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าการทำสิ่งต่างๆที่มีคุณค่าการทำงานหนักการวางแผนอย่างรอบคอบเราสามารถที่จะดึงคุณลักษณะส่วนที่ดีของเขาแต่ละคนมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้เพราะแต่ละคนมักจะมีคุณลักษณะที่โดดเด่นแต่ละด้านแต่ละแง่มุมแตกต่างกันไปแบบอย่างที่ดีเหล่านี้เราจะสามารถพบได้จากหนังสือชีวประวัติ บทสัมภาษณ์รวมถึงการเฝ้าสังเกตคุณลักษณะชีวิตที่ดีของคนใกล้ชิดรอบข้างแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เช่นคนอื่นๆแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็จะสามารถพบแบบอย่างที่ดนใจเราได้เช่นเดียวกันเช่นคุณพ่อคุณแม่เจ้านายในที่ทำงานสร้างข้อคิดคำขวัญเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจความกระตือรือร้น คือพลังผักดันอันสําคัญสําหรับการปีนป่ายบันไดแห่งความสําเร็จความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือการไม่พยายามความจริงที่ว่าเราสามารถทําทุกสิ่งได้ตามใจชอบนั้นคือที่มาของความล้มเหลวที่แท้จริงเหตุผลที่ชีวิตบางคนไม่ก้าวไกลเท่าที่ควรนั่นเพราะเขาหันเหจากโอกาสแล้วหันไปจับมือกับสิ่งเย้ายวนล่อใจ คนที่ก้าวล้ำนำหน้าคนอื่นคือคนที่ทำมากกว่าที่จำเป็นและรักษาความตั้งใจเช่นนั้นไว้ตลอดการที่จะประสบความสำเร็จนั้นเราต้องเป็นคนง่ายที่จะเริ่มและยากที่จะเลิกการฆ่าเวลาคือการฆาตกรรมที่ร้ายแรงที่สุดจงชั่งตวงเวลาและจงควบคุมมันการผัดวันประกันพรุ่งคือปุ๋ยเร่งปัญหาให้งอกงามเติบโต งานหนักมักจะเป็นการสะสมพอกพูนของงานง่ายๆที่ควรจะทำให้เสร็จตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเวลาที่หายไปอาจไม่ผันพบได้อีกยังมีเวลานอนอีกมากในหลุมฝังศพข้างต้นนี้คือตัวอย่างข้อคิดคำขวัญที่ผมรวบรวมเสนอให้กับท่านผู้อา่านเป็นคำกล่าวที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริหารเวลาได้อย่างดีทีเดียว เราสามารถที่จะนำคำกล่าวนี้มาจัดทำให้สวยงามแล้วนำไปติดตั้งที่โต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือห้องนอนห้องน้ำหรือพกใส่กระเป๋าสตางค์ได้ตามความเหมาะสมเพื่อจะช่วยกระตุ้นเตือนใจให้เราระมัดระวังในการใช้เวลาในการบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างดีที่สุดเสมอเราอาจจะคิดข้อคิดคำขวัญหรือข้อความที่เหมาะสมกับสภาวะชีวิตของเราขึ้นเองได้เช่น การตื่นเช้ายังทำไม่ได้ชีวิตนี้จะทำอะไรได้ท่องสับประหะคำเพื่อความสำเร็จในอนาคตเราคือพนักงานดีเด่นประจาปีนี้เรารักตารางเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเพื่อก้าวให้ทันโลกในข้อคิดเพื่อชัยชนะสองของผมมีข้อคิดเพื่อชัยชนะเหนือความไร้วินัยอยู่หลายข้อซึ่งผมได้คัดเลือกมาฝากให้เป็นข้อคิด เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริหารเวลาสำหรับท่านผู้อ่านดังนี้ครับทุกวินาทีที่เข็มนาฬิกาเคลื่อนไปชีวิตของเราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงดีกว่าไปสายครึ่งนาทีนอนมากไปชีวิตก็กล้าไปไม่ถึงไหนพ้นตื่นนอนไม่ใช่เพราะนาฬิกาปลุกแต่ด้วยการตัดสินใจไรวินัยก็ไรชีวิต ยิ่งเราใช้เวลากับสิ่งไร้สาระมากเท่าไหร่เวลาที่เราจะทำสิ่งที่มีคุณค่าก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นอย่าท้อใจเมื่อทำไม่ได้อย่างตั้งใจหลายคนเริ่มตนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีที่จะบริหารเวลาบริหารชีวิตของตนอย่างดีที่สุดแต่เมื่อต้องพบกับอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกหรือจากความอ่อนแอภายในทำให้ไม่สามารถทำได้ครบถ้วนอย่างที่ตั้งใจ บางคนทำได้ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเริ่มล้มเหลวลุกขึ้นตั้งใจใหม่จากนั้นก็ล้มเหลวอีกล้มลุกลุกลานครั้งแล้วครั้งเล่าจนรู้สึกท้อใจคิดว่าตนเองคงไม่สามารถทำตามความมุ่งมั่นตั้งใจได้อีกแล้วจึงเริ่มต้นยอมรับความพ่ายแพ้และหันหลังกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมสุดแต่อารมณ์ความรู้สึกจะพาไปเลิกกลมความคิดที่จะบริหารเวลาบริหารชีวิตที่ดีอีกต่อไป แท้จริงแล้วนะครับแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีอย่างเปีนน่ยมล้นเปรียบได้กับความฝันอันสูงส่งแต่ขณะที่เราเหยียดมือไขวคว้ า, าเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความฝันนั้นท้าของเราก็ต้องติดดินไปด้วยในขณะเดียวกันนั่นคือการยอมรับความจริงที่ว่าบางช่วงบางขณะของชีวิตเราก็อาจจะผิดพลาดล้มเหลวได้ในบางครั้งดังนั้นจึงไม่ควรท้อใจสิ้นหวังหรือเบื่อหน่ายตนเอง แต่ควรพร้อมที่จะดึงคอเสื้อตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอโดยยึดคติที่ว่าตั้งใจแต่ล้มเหลวบ้างดีกว่าล้มเหลวในความตั้งใจอย่างสิ้นเชิงเมื่อตื่นเช้าตามนาฬิกาปลุกไม่ได้ก็ไม่ควรท้อใจและปล่อยตัวปล่อยใจให้ตื่นสายตามสะดวกเพราะนั่นจะส่งผลเสียต่อชีวิตในระยะยาวอีกมากมายหลายด้านแต่เราควรจะปลุกปลอบตนเองให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและกำลังใจเต็มที่ ที่จะเอาชนะพลังดูดจากเตียงนอนให้ได้ดังเดิมและอาจจะหาวิธีเพิ่มเติมที่จะช่วยได้เช่นซื้อนาฬิกาปลุกเรือนใหม่ที่ส่งเสียงดังแสบแก้วหูยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเข้านอนเร็วขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงไม่ว่าจุดอ่อนหรือความอ่อนแอของเราจะเป็นเรื่องใดผมอยากจะย้ำว่าอย่าท้อใจและฝากข้อคิดจากหนังสือข้อคิดเพื่อัยชนะหนึ่งของผมว่าเคล็ดลับพิชิตความท้อใจ อยู่ที่การตัดสินใจและเลิกท้อใจวินาทีนี้ไม่ใช่วินาทีหน้าให้รางวัลตัวเองเมื่อทำตามความตั้งใจได้นอกจากแรงจูงใจในการบริหารเวลาบริหารชีวิตของเราจะอยู่ที่ความสำเร็จแห่งเป้าหมายอันสูงสุดแล้วในระหว่างทางเดินสู่เป้าหมายนั้นเรายังสามารถเพิ่มเติมหรือกระตุ้นแรงจูงใจของเราเป็นระยะ ะ, ยะได้โดยสิ่งที่เราจะทาได้และควรทาเป็นอย่างยิ่ง คือการให้รางวัลกับตนเองเมื่อเราสามารถทำบางสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จเช่นอ่านหนังสือได้วลาสามชั่วโมงตามแผนที่วางไว้ในตารางเวลาตื่นหกโมงช้าได้ติดติดกันเป็นเวลายี่สิบวันแล้วทำงานที่หัวหน้ามอบหมายงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและได้ผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้รางวัลที่เราจะให้กับตนเองอาจจะเป็นการไปรับประทานอาหารที่เราชอบไปพักผ่อนต่างอากาศในที่ที่เราเคยใฝ่ฝันอยากจะไป การซื้อเน็คไทเส้นใหม่ให้กับตนเองการไปเล่นเกมกีฬาที่เราโปรดปรานเป็นพิเศษการให้รางวัลกับตนเองจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําสิ่งดีต่อไปในลักษณะเดียวกับที่สังคมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีเพื่อให้เขามีกําลังใจและจะอุทิศตัวทําสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปสําหรับการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลกับตนเองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น คือการให้สัญญากับตนเองล่วงหน้าว่าถ้าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้สำเร็จตามแผนการเป้าหมายที่วางไว้จะให้รางวัลสิ่งใดกับตนเองบ้างเพราะการทำเช่นนี้จะทำให้เราเกิดแรงจูงใจที่มุ่มานะอดทนและพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเพื่อได้รับรางวัลตามที่สัญญาไว้นอกเหนือจากการทําเพราะเห็นคุณค่าในตัวสิ่งของนั่นเองเช่นให้สัญญากับตนเองว่า ถ้าเทอมนี้สอบได้เกรดเฉลี่ยเกินสามจุศจะซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ให้กับตนเองถ้าทำยอดขายได้ทะลุเป้าจะลาพักร้อนไปต่างอากาศที่เกาะสมุยสัก3ามวันถ้าตื่นเช้าติดต่อกันได้สิบวันจะพาตัวเองไปกินพิซซ่าให้หนำใจความจริงที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการให้รางวัลกับตนเองนอกจากจะช่วยสร้างหรือกระตุ้นให้แรงจูงใจได้ดีแล้วในบางครั้งยังเป็นการเปิดโอกาส ให้เราได้ผ่อนคลายความกดดันและความเหนื่อยล้าจากการทุ่มเททำงานหนักด้วยเช่นกันผมอยากจะทิ้งท้ายบทและหนังสือเล่มนี้ด้วยข้อคิดจากหนังสือข้อคิดเพื่อความสำเร็จของผมว่าแรงจูงใจคือพลังขับดันชีวิตให้ก้าวไปและแรงจูงใจยิ่งสูงมากเท่าไหร่ความสำเร็จนั้นยิ่งมีคุณค่าและน่าภาคภูมิใจมากขึ้นเท่านั้นครับ